ให้อภัยคือไม่ถือโทษโกรธไม่อาคาดไม่เครียดแค้นไม่จริงชังใครก็ตามที่ทำไม่ดีกับเราไว้เราก็ต้องให้อภัยเขาทุกเรื่องโดยที่ไม่เอาเหตุไม่เอาผลไม่เอาถูกไม่เอาผิดให้อภัยไปเลยให้อภัยคนอื่นเมื่อก็ทำไม่ดีกับเราแล้วก็ให้อภัยตัวเองบางทีเราก็ิด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 หลายปีหลายเดือนหลายพบหลายชาติจะโกรธไปทำไมไม่มีประโยชน์อะไร <_ d ood le> เขาก็ต้องตายเร า, าก็ต้องตายทั้งเราและเขาก็ต้องตายจากกั น, นั้นัเราเกิดมาเพื่อพบกันชั่วขณะหนึ่งแล้วเราก็จากกันไปแล้วเราจะไปถือโทษโกรธความกันไปทำไมตรงให้อาภัยซะการให้อาภัยเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรม ดป็สิ่งที่สำคัญนะอภัยนี่คือการปฏิบัติประสิทงที่ทำได้ยากแต่ว่าทําได้ถ้าเราเห็นประโยชน์ของการให้อภัยถ้าเราไปปฏิบัติทำเรื่องการให้อภัยแล้วเราจะรู้สึกว่าเราได้ปล่อยวางสิ่งที่มันค้างคาใจเอาไว้นานหลายวันหลายเดือนหลายปีถ้าเราได้ปล่อยวางปล่วางสิ่งที่เราเคยโกรธเกลีดใครไว้เหมือนอย่างเราแบกของหนักมานาน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 เพราะนั้นการให้อาภัยเนี่ยจึงมีประโยชน์มากในวันหนึ่งคืนหนึ่งคอยเราพิจารณาดูให้ดีนีสิ่งที่เรานําออกไปจากจิตจใจเราเนี่ยมันมีแต่ทําให้ใจเราเบาเท่งนั้นถ้าเรานําสิ่งที่มันอยู่ภายนอกเอาเข้าสะสมไว้ในใจเรามากๆโดยเฉพาะความโกรธความแค้นชิงชเนี่ยก็ทําให้ใจเราหนักขึ้นมาทันทีเลยพราะนั้นการให้อาภัยจึงมีประโยชน์มากสําหรับ คนที่อยากจะมีความสุขในชีวิต